รองใจคนโดยพันเอกปิน่นมุทุกัน 1. ความเบื้องต้นขอความสุขความเจริญจงมีแด่ท่านผู้ฟังที่เคารพในการแสดงปาฐกถาเรื่องคลวิธีแก้ทุกข์ข้าพเจ้าได้ทิ้งเงื่อนไว้ตรงกลางเรื่องคือตอนว่าด้วยบริวารยศได้พูดถึงสปปรรพคุณของการมีบริวารไว้หลายอย่างแต่ครั้นวกเข้าสู่ประเด็นสาคัญเกี่ยวกับการสร้างบริวาร เดวรวบรัดลงง่ายๆคล้ายๆกับจนคําพูดลงตรงนั้นความจริงไม่ที่ทำไว้อย่างนั้นก็เพื่อรักษาเขาโครงเรื่องกลวิธีแก้ทุกข์ให้พอเหมาะกับจุดหมายเท่านั้นเองเรื่องพุทธวิธีคลองใจคนที่ท่านกำลังฟังอยู่นี้จะว่าเป็นการต่อเงื่อนที่ปล่อยไว้นั้นก็ได้จะว่าเป็นอีกเรื่องหนึ่งต่างหากก็ได้เพราะเรื่องนี้มีความสมบูรณ์ในตัวเหมือนกันว่าถึงรสของเรื่อง ระหว่างกลวนวิธีแก้ทุกข์กับพุทธวิธีครองใจคนต่างกันบ้างเล็กน้อยข้าพเจ้าแสดงเรื่องกลวนวิธีแก้ทุกข์เหมือนนำเครื่องสตราวุธหรือเครื่องมือโยธามาแจกใจ่ายให้ท่านผู้ฟังแต่การแสดงเรื่องนี้เหมือนแจกอาภรณ์ประดับกายเช่นเสื้อผ้าเพชรพลอยและเครื่องเสริมความงามต่างๆขณะที่ท่านติดตามฟังหรืออ่านกลวนวิธีแก้ทุกข์ ท่านจะมีความรู้สึกคล้ายๆว่ากำลังเดินอยู่แถวตรอกชิงกงสองข้างทางเต็มไปด้วยเครื่องเหล็กกรุงรังมีคีมค้อนไขควงและอื่นๆอีกแยะแต่ขณะที่ท่านติดตามเรื่องพุทธพิธีครองใจคนนี้ท่านจะรู้สึกเหมือนกับว่าท่านกำลังเดินอยู่แถวพาหุรัตสะพานหันสำเพงซึ่งเต็มไปด้วยแพ ร, พ ร, ร่พันและเพชรนินจินดาและสารพัดสิ่งที่จะเสริมความงามให้แก่ท่าน ถ้าท่านชอบก็เชิญตามข้าพเจ้าต่อไปและก็ขอเรียนไว้ให้ทราบด้วยว่าการแสดงปาฐกถาของข้าพเจ้าทุกเรื่องที่แสดงมาแล้วต้องการสร้างความเข้าใจและเชิญชวนท่านผู้ฟังให้ปฏิบัติเป็นจุดสําคัญเรื่องนี้ก็เช่นเดียวกันฉะนั้นถ้าท่านผู้ฟังฟังแล้วไม่เข้าใจก็เปิดโอกาสให้ถามได้ทุกข้อทุกตอนเช่นเดียวกับเรื่องอื่น วัฒนหายนะจะว่าเรื่องครองใจคนต้องพูดถึงเรื่องวัฒนะกับหายนะสักหน่อยจะได้หมดความสงสัยข้องใจที่ว่าจะไปเที่ยวครองใจคนทำอะไรกันเหมือนกับพูดเรื่องเป็นกับเรื่องตายให้เข้าใจเสียก่อนแล้วค่อยพูดเรื่องอาหารการกินก็จะหมดข้อสงสัยว่ากินอาหารและพูดเรื่องอาหารไปทำไมกันวัฒนะกับหายนะเป็นลักษณะที่ตรงกันข้าม วัฒนะแปลว่าเจริญหายนะแปลว่าเสื่อมเจริญหรือเสื่อมดูกันง่ายๆอย่างนี้ถ้าสิ่งใดดีๆมารวมกันเข้าเรียกว่าเจริญถ้าสิ่งดีๆแยกกันออกไปเรียกว่าเสื่อมและโปรดทราบว่าที่ว่าสิ่งดีๆในที่นี้หมายถึงทุกอย่างที่ดีเช่นคนดีๆเงินดีๆความรู้สึกดีๆและอื่นๆตลอดจนยศศักดิ์ดีๆ เป็นเกณฑ์และการตัดสินว่าอะไรดีหรือไม่ดีต้องเอาความต้องการของผู้รับความเจริญหรือความเสื่อมนั้นเป็นหลักคนที่ตั้งร้านหมอรักษาโรคถ้ามีคนไข้เข้าร้านมากๆเขาถือว่างานเขาเจริญพวกสับปรเลอถ้าหักศพคนตายหลังไหลามารวมกันมากๆให้ได้เผาการสนุกทั้งกลางวันกลางคืนก็เป็นความเจริญของเขา แต่ถ้าความเจริญของหมอขายยากับของพวกสปรเร่เกิดไปได้กับชาวบ้านอย่างเราๆ เ, เข้าก็กลายเป็นความหายนะอย่างใหญ่หลวงทีเดียวลักษณะของความเจริญหรือเสื่อมเอากันให้เข้าใจง่ายๆต้องดูที่การรวมกันเข้าและการแยกกันออกของสิ่งดีๆจึงจะดูเข้าใจง่ายอย่างโรงที่เราประชุมกันอยู่นี้ในสายตาของเราว่ามันจเจริญเพราะอะไร ก็เพราะพวกไม้ดีๆกระเบื้องดีๆสีทาดีๆตลอดจนพื้นดีๆฝาดีๆและอื่นๆจนกระทั่งมีโต๊ะดีๆเก้าอี้ดีๆนาฬิกาดีๆเครื่องขยายเสียงดีๆเกิดมารวมกันเข้าที่นี่พอพวกดีๆมารวมกันเข้าใครมาพบเห็นก็ทักว่าอ้อนี่เขากาลังเจริญทีนี้ตรงกันข้าม ถ้าจำพวกดีๆเหล่านี้เกิดแยกย้ายกันไปคนละทิศละทางพื้นฝาไปอยู่กับเล้าไก่นาฬิกาไปอยู่ร้านโปโกเกเครื่องขยายเสียงไปอยู่โรงรับจำนำอย่างนี้เขาเรียกว่าความเสื่อมความเป็นอยู่ของต้นไม้ก็เหมือนกันถ้ารากดีๆลำต้นดีๆกิ่งดีๆใบดีๆและอื่นๆมันรวมกันอยู่ก็เป็นความเจริญของต้นไม้ ถ้าพวกนี้แยกกันออกรากไปทางต้นไปทางใบไปทางก็เสื่อมลักษณะของคนอยู่ในลักษณะเดียวกับเรือนโรงและต้นไม้ถ้าผัวดีเมียดีลูกดีคนใช้ดีๆและอื่นๆจนกระทั่งข้าวของเงินทองดีๆชื่อเสียงเกียรติคุณดีๆไปรวมกันเข้าที่ครอบครัวใดครอบครัวนั้นเรียกว่าจเจริญ ถ้าเกิดคนดีดของ ด, ดีกระจัดกรายไปมีแต่คนเลวของเลวมารวมกันนั่นแหละเสื่อมในสมาคมในองค์กรตลอดจนในกระทรวงทบวงกลมจนกระทั่งในประเทศถ้ามีคนดีดของ ด, ดีรวมกันได้มากเท่าไหร่ก็เป็นความเจริญเท่านั้นถ้าดีแยกกันไปก็เสื่อมไม่ต้องดูอื่นไกลดูกันแต่ ยุวพุท ธ, ธิกะสมาคมนี้ก็ได้ยุวพุท ธ, ธิกะสมาคมที่กำลังเจริญอยู่ในสายตาของคนทั้งหลายก็เพราะได้คนดีๆมาเป็นสมาชิกและมีคนดีๆมารวมกันฟังปาทกถาบ่อยๆหลายๆดีมารวมกันเข้าก็เป็นความเจริญกลับกันเสียก็เป็นความเสื่อมเช่นสมาชิกดีๆก็ลาออกไปวันละคนสองคนจะมีปาทักคถาทีก็หาคนฟังไม่ค่อยได้ หาคนแสดงไม่ค่อยได้เสื่อมแน่ๆลักษณะเสื่อมและเจริญเท่านี้ก็พอแล้วความเป็นไปของชีวิตที่พูดถึงลักษณะวัฒนะหายนะในตอนนี้อยากจะเสนอความจริงของชีวิตต่อผู้ฟังสักเรื่องหนึ่งชีวิตของคนเราทุกคนต้องพลัดไปสู่สภาพอย่างใดอย่างหนึ่งในสองอย่างนั้นอย่างแน่นอน คือความเป็นไปของคนเราถ้าจะว่ากันย่อๆมีอยู่สองอย่างเท่านั้นถ้าไม่เจริญขึ้นก็เสื่อมลงถ้าไม่เสื่อมลงก็จเจริญขึ้นทุกขณะนาทีเราจะต้องเป็นอย่างใดอย่างหนึ่งในสองอย่างนี้จะเป็นอย่างอื่นไปนอกจากนี้ไม่ได้เลยบางทีท่านอาจคิดแย้งว่ายังมีอาการอีกอย่างหนึ่งคืออยู่เฉยๆเสื่อมก็ไม่เสื่อมจเจริญก็ไม่จเจริญ เช่นเวลานอนหลับตอนกลางคืนตั้งแต่เช้านอนจนสว่างไม่มีการจับจ่ายใช้สอยอะไรเลยเงินทองข้าวของต่างๆก็คงเดิมก่อนนอนเคยยากดีมีจนอย่างไรตื่นนอนก็อย่างนั้นเมื่อเป็นเช่นนี้ที่ข้าพเจ้าพูดว่าวิถีชีวิตมีเพียงสองทางคือเสื่อมกับเจริญนั้นจะมีเป็นการคลาดเคลื่อนไปหรือเลยขอแก้ไว้ในที่นี้เสียทีเดียวว่า การที่เรามองเห็นสิ่งต่างๆว่าคงสภาพอยู่เฉยเฉยนั้นเป็นการมองชั้นนอกหรือมองอย่างผิวเผินทุกสิ่งทุกอย่างทั้งคนเรามีรายจ่ายประจําอยู่ทางหนึ่งคือจ่ายให้แก่กฎธรรมดาว่ากันเฉพาะเรื่องของคนดีกว่าวงจะได้แคบเข้าคนเรานี้ต้องจ่ายอายุของตนเองอยู่ทุกขณะอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ความจริงในกรณีที่คนนอนหลับอยู่นั้น ความเสื่อมบางอย่างกําลังเล่นงานอยู่เป็นต้นว่าร่างกายของเขากําลังถูกการเวลาฉุดไปหาความตายทุกขณะบ้านเรือนและเสื้อผ้าทุกชิ้นทุกอันได้กําลังเสื่อมคุณภาพลงไปวันเวลาที่กําหนดไว้ในสัญญาส่งต้นส่งดอกเงินกู้กําลังหมดไปสิทธิเช่าบ้านเหลือน้อยเข้าทุกวินาทีตัวจานาก็ใกล้วันที่หลุดลอยทุกลมหายใจฉะนั้น ขณะที่คนนอนหลับนั้นไม่ใช่การอยู่เฉยๆอาจเป็นขณะที่กำลังจมอยู่ในความเสื่อมที่น่ากลัวกว่าขณะกำลังตื่นเสียด้วยซ้ำมองซี่เจริญทั้งๆ ท, ที่หลับคนก็เจริญได้ร่างกายกำลังเติบโตขึ้นลูกแมวที่เลี้ยงไว้กาลังเพิ่มความน่าเอ็นดูขึ้นทุกขณะต้นดอกไม้หลังบ้านกำลังเร่งดดปุ๋ยขึ้นสร้างดอกไว้ให้เราดู ผลไม้ที่หลังบ้านกำลังเพิ่มความเติบโตขึ้นเรื่อยๆซึ่งหมายความว่ามันกำลังเพิ่มราคาให้แก่เจ้าของที่แม้กาลังนอนหลับไหลอยู่บนเตียงนอนรวมความว่าชีวิตของคนเรามีความเป็นไปอยู่สองทางเท่านั้นคือเสื่อมกับเจริญต่างกันแต่ว่าอย่างไหนมากอย่างไหนน้อยเท่านั้นขอแวะเรื่องหมอดูสักนิดวิธีดูดวงชะตาของคนพอหยิบดวงขึ้นมาเพ่ง ปัญหาแรกที่สุดที่หมอจะต้องพยากรณ์ในใจคือคิดถามตัวเองขึ้นก่อนว่าคนคนนี้กำลังเสื่อมหรือกำลังเจริญต้องดูตรงนี้ก่อนพอตรวจดูถ้าเห็นว่าดาวที่เป็นเดชสีมนตรีกำลังร่วมลักเลงลักรู้ว่าอ้อนายคนนี้กำลังเจริญขึ้นขั้นต่อไปจึงดูว่าจะเจริญทางไหน เงินเดือนขึ้นหรือจะถูกหวยเบอร์หรือจะพบเนื้อคู่หรือจะได้สัตว์2เท้าสี่เท้าค่อยฉีกออกดูทีละอย่างละอย่างแต่ถ้าตรวจพื้นดวงในตอนแรกเห็นว่าชะตากาลังเสื่อมจึงจะตามไปดูว่าเสื่อมตรงไหนจะสูญเสียของรักจะเจ็บป่วยจะถูกถ้อยความหรือจะเป็นปากเป็นเสียงกับลูกเมียพอรู้แล้วก็พยากรณ์ออกมาเป็นข้ อ, ขอ เขาทำอย่างนี้นี่ว่าทางธรรมะไม่ใช่สอนวิชาหมอดูชีวิตของคนเราขนาบอยู่ด้วยความเสื่อมกับความเจริญทุกลมหายใจและสิ่งอื่นๆสารพัดอย่างในโลกก็ตกอยู่ในกฎอย่างเดียวกันนี้ความหวังคนสามัญทั่วไปอยากได้ความเจริญทั้งนั้นจะต่างกันก็แต่ว่าใครมีเจตนากว้างหรือแคบกว่ากัน เจตนาที่หวังความเจริญนี้เป็นเครื่องวัดคนได้อย่างหนึ่งคนดีหรือคนไม่ดีดูกันที่เจตนาโดยเฉพาะอย่างยิ่งตัวเราเองควรจะได้ตรวจสอบดูตัวเองเสียด้วยใครหวังความเจริญให้แก่ตัวคนเดียวคนนั้นก็เป็นคนดีสำหรับตัวเองใครหวังความเจริญแก่คนทั้งครอบครัวคนนั้นก็เป็นคนดีของครอบครัวใครหวังความเจริญแก่คนทั้งหมู่บ้าน คนนั้นก็เป็นคนดีของหมู่บ้านโปรดคิดขยายส่วนขึ้นไปเองจนถึงว่าใครหวังความเจริญแก่คนทั้งประเทศคนนั้นก็เป็นคนดีของประเทศและถ้าใครหวังความเจริญแก่คนทั้งโลกคนนั้นก็เป็นคนดีของโลกเช่นอย่างพระบ ร, รมศาสดาของเราเอาขอบเขตแห่งความหวังความเจริญเข้าไปจับดูอย่างนี้รู้ได้แน่ว่าใครดีขนาดไหนตรงกันข้าม ถ้าใครหวังความเสื่อมคนนั้นก็เป็นคนไม่ดีเช่นอย่ามีคนมาพักอาศัยอยู่ที่บ้านของเราแล้วมีแต่ครุ่นคิดภาวนาว่าเมื่อไหร่เจ้าของบ้านจะล้มตายไปสักทีเมื่อไหร่จะล่มจมไปสักทีอย่างนี้ก็เป็นคนไม่ดีมีเหมือนกันคนที่ชอบดูความพินาศย่อยยับของคนอื่นและดูเหมือนจะมีมากเสียด้วยคือรู้สึกสนุกสนานกับความย่อยยับของคนอื่น เพิ่งสังเกตว่าถ้าคนเราเดินคุยกันด้วยความรักใคร่สนิทสนมไม่มีใครเขาอยากดูเห็นเข้าก็เฉยๆแต่ถ้ามีใครเกิดต่อยกันขึ้นข้างถนนในกรุงเทพรับรองว่าภายในหนึ่งนาทีเท่านั้นจะมีคนมามุงดูเป็น1 0ๆในเวทีมวยแต่ละนัดมีคนยอมเสียเงินเข้าไปดูยัดเยียดกันอยู่และดูกันด้วยความสนุกสนานโห่ร้องปรบมือ และยังแถมกระทืบเท้าเสียด้วยบางคนคิดว่านั่นเขาไปดูความชนะของนักมวยแต่ความจริงข้าพเจ้าคิดว่าท่านผู้ฟังแทบทั้งหมดคงจะได้เคยเข้าไปดูมวยมาบ้างแล้วถ้าสังเกตความรู้สึกในใจให้ในแน่แน่แล้วกลายเป็นว่าเราชอบดูความพ่ายแพ้ยับเยินของอีกฝ่ายหนึ่งต่างหากความสนุกถึงขีดสุดของการดูอยู่ที่ได้เห็นนักมวยคนหนึ่งถูกชกอาการปางตาย ลงไปนอนสลบคาเวทีทีเดียวหาไมมคนดูก็จะพากันบน่นกระปอดกระแปดว่าไม่คุ้มกับเงินที่เสียไปแต่ใครจะชอบดูความพินาศอย่างไรอย่างไรก็ตามทุกคนก็ชอบดูความพินาศของคนอื่นเท่านั้นพอโดนตัวเองเข้าบ้างก็หมดสนุกทันทีทางเจริญทำอย่างไรเราจะเจริญเป็นปัญหาที่ผู้หวังความเจริญจะต้องคิด และคิดด้วยเหตุผลไม่ใช่สร้างความหวังอย่างเลือ่อยดูสิ่งธรรมชาติทั่วไปก่อนเอาต้นไม้ก็ได้ธรรมดาต้นไม้ที่มันจเจริญเติบโตขึ้นมาได้เพราะมันได้รับการช่วยเหลือจากสิ่งแวดล้อมเช่นดินน้ำปุ๋ยและอากาศเป็นต้นทำให้ลําต้นกิ่งใบเติบโตขึ้นถ้าลาพังแต่ตัวมันล้วนๆไม่ได้รับการช่วยเหลือจากสิ่งอื่นสิ่งใดเลย ก็เติบโตไม่ได้ทดลองดูก็ได้ลองเอาเม็ดขนนสักเม็ดหนึ่งใส่ลงในขวดปิดจุกให้แน่นอย่าให้ได้น้ำได้ปุ๋ยเลยที่สุดแม้แต่อากาศก็อย่าให้เข้าไปทําอย่างนี้ต่อไปให้10ปีก็สูงไม่ถึงคืบมีแต่จะแห้งเหี่ยวไปเท่านั้นต้นไม้ทุกชนิดที่ปลิดอกออกผลอยู่ทั่วไปนั้นล้วนแต่โตเพราะได้รับความสนับสนุนจากสิ่งแวดล้อมทั้งนั้น ร่างกายเนื้อตัวเราก็เหมือนกันที่เราเติบโตมาได้จนถึงป่านนี้ก็เพราะได้รับการช่วยเหลือจากสิ่งแวดล้อมมากมายคิดดูเองก็รู้พอคลอดออกมาก็เริ่มมีมือของคนอื่นเข้ามาให้ความช่วยเหลือและก็ได้ปัจจัยอื่นๆอีกหลายสิ่งคอยทยอยกันเข้ามาช่วยถ้าคลอดออกมาแล้วปล่อยให้โตเองตามลำพังป่านนี้เสร็จไปนานแล้วยิ่งความเจริญในทางฐานะ ตำแหน่งหน้าที่และอำนาจวาสนาก็ยิ่งต้องพึ่งคนอื่นเป็นจำนวนมากยิ่งใหญ่มากก็ยิ่งต้องพึ่งคนช่วยเหลือมากเหมือนตึกรามใหญ่โตนั่นแหละยิ่งใหญ่มากสูงมากก็ยิ่งต้องพึ่งอิฐหินปูนทรายชิ้นเล็กชิ้นน้อยเป็นจานวนมากเรื่องอย่างนี้เป็นเรื่องทราบกันดีสำหรับผู้มีธรรมะในใจแต่สำหรับคนไม่มีธรรมะอาจมองไม่เห็น หรือเห็นก็ทำเป็นไม่เห็นทะนงตัวว่าราชรถมาเกยตัวจึงได้นั่งเมืองคิดไปเสียอย่างนี้ก็ได้เพราะคนเราลองได้ขาดธรรมะเสียอย่างเดียวอาจกลายเป็นคนใบ้บ้าบอดหน่วกก็ได้ทั้งนั้น 2. ครองใจคนวิเศษเมื่อเราต้องการความเจริญและความเจริญที่เราต้องการนั้น ต้องอาศัยคนหลายคนช่วยสร้างขึ้นปัญหาจึงมีว่าแล้วทำอย่างไรคนอื่นเขาจึงจะช่วยเราพูดมาถึงตรงนี้อยากจะขอแวะสักนิดท่านผู้ฟังคงจะเคยได้ยินเรื่องผู้วิเศษต่างๆที่ว่ามีอวัยวะมากๆเช่นมีมือสี่มือแปดมือหรือมีตาตั้งพันตาเหล่านี้เป็นต้นถ้ามีอวัยวะมากๆอย่างนั้น ข้าพเจ้าคิดว่าก็คงจะดีเหมือนกันได้เปรียบในเชิงทํางานเช่นเขียนหนังสือมือหนึ่งเมื่อยก็ใช้อีกมือหนึ่งแทนกันได้หรือในงานที่ต้องชิงแพ้ชิงชนะกันก็ได้เปรียบเช่นเวลาทะเลาะกันมีปากเดียวมันเถียงเขาไม่ค่อยทันใจถ้ามีสักสิบปากแล้วก็ช่วยกันเถียงก็เข้าทีดีเหมือนกันอีกฝ่ายหนึ่งก็แพ้เด็กท่านผู้ฟังเคยคิดหรือไม่ว่า มนุษย์เดินดินกินข้าวอย่างเราเรานี้ในชาตินี้มีหวังจะเพิ่มหูเพิ่มตาขึ้นอีกได้หรือไม่แน่นอนข้าพเจ้าคิดว่าเรามีหวังจะทำได้และอาจมีได้มากกว่าผู้วิเศษเหล่านั้นเสียด้วยซ้ำปะเหมาะหูตาที่เราเพิ่มขึ้นอาจเหมาะเจาะดีกว่าเสียอีกด้วยมีมากๆก็ไม่รู้สึกเกะ ก, กะไม่เหมือนกับท่านผู้วิเศษบางท่าน มีตามากๆไม่รู้ว่าจะติดไว้ที่เนื้อตัวของท่านได้อย่างไรจึงจะไม่เกกะเวลาหลับนอนเพราะท่านมีในตาพราวไปรอบตัวเหมือนตาสับปะรดการเพิ่มหูเพิ่มตาในฐานะที่เราเป็นมนุษย์มีอยู่วิธีเดียวคือการทำคนอื่นให้เป็นมิตรกับเราตามธรรมดามิตรกับมิตรย่อมมีความช่วยเหลือกันเสมือนว่าเป็นคนคนเดียวกันหรือจะว่า ภาวะความเป็นมิรนั้นที่แท้ก็คือหัวใจดวงเดียวกันแต่แยกออกไปครองร่างหลายๆร่างนั่นเองตัวเราอยู่กรุงเทพถ้าที่อุดรมีคนที่เป็นมิรเราอยู่คนหนึ่งก็เท่ากับเราได้หูได้ตาและได้ปากไว้ที่นั่นหนึ่งชุดถ้ามีใครว่าร้ายเราเขาก็ฟังให้มีใครคิดร้ายเราเขาก็ดูให้ ถ้าที่สงขามีมิตรไว้อีกคนก็เท่ากับเรามีหูมีตาไว้ที่นั่นเหมือนกันและแม้ในที่ทุกหนทุกแห่งถ้าเรามีคนที่เป็นมิตรกับเราได้มีตามีหูเพิ่มขึ้นในที่นั้นๆโดยไหนนี้ท่านผู้ฟังมองเห็นแล้วใช่หรือไม่ว่าเราอาจเพิ่มหูเพิ่มตาของเราขึ้นได้นับเป็นพันๆทั้งยังสามารถแบ่งภาคไปอยู่กันคนละทิศละทางเสียอีกด้วย และเมื่อเทวดาวิเศษเพราะมีหูตามากๆในพวกมนุษย์เราถ้าใครสามารถเพิ่มหูเพิ่มตาได้มากๆกก็น่าจะเรียกว่าคนวิเศษได้เหมือนกันเพราะคนประเภทนี้ตกบทท่านแข็งริดขึ้นมาแผ่นดินก็สะเทือนเลื่อนลั่นไปไม่น้อยเลยการทำคนให้เป็นมิตรเป็นสิ่งจำเป็นมากสำหรับทุกคนที่หวังความเจริญเหตุผลอย่างไร ท่านผู้ฟังพอจะพิจารณาได้แล้วบางคนอาจคิดว่าใครๆจะเป็นมิดหรือไม่ไม่สำคัญขอให้เรามีอำนาจเต็มมือก็แล้วกันจะบงการอย่างไรก็ได้ถูกข้าพเจ้าไม่เถียงผู้มีอำนาจอาจสั่งให้คนจำนวนหมื่นๆทลายภูเขาสูงเทียมเมฆให้ราบเรียบลงเท่ากับระดับน้ำทะเลก็ได้แต่มินต่ออันตรายมากสู้ว่าเราทาเขาให้เป็นมิร ไว้แล้วแม้จะใช้อำนาจก็กลับเป็นคุณที่พูดมานี้ไม่ค่อยแจ่มอยากจะเปรียบว่าคนที่ปกครองด้วยการใช้อำนาจบังคับอย่างเดียวเหมือนกับคนที่ขี่ม้าไม่มีเชือกไม่มีบางเหียนยิ่งคั้วเร็วเท่าไหร่ก็ยิ่งมีหวังตกม้าคอหักตายเร็วเข้าเท่านั้นฝ่ายคนปกครองผู้อื่นโดยสร้างความเป็นมิตรขึ้นในใจของเขาด้วย ถ้าจะเปรียบกับคนขี่ม้าก็เหมือนขี่ม้ามีบางเหียนปลอดภัยและได้ประโยชน์ดีกว่ากันมากนักขี่ม้าจะนับว่าได้ครองม้าไว้ได้ต่อเมื่อได้สวมบางเหียนเข้าปากม้าเรียบร้อยแล้วเท่านั้นคนเราก็เหมือนกันจะเรียกว่าเป็นผู้ครองคนอื่นได้ก็ต่อเมื่อสามารถครองความเป็นมิตรไว้ที่ใจของเขาแล้วเท่านั้นคนเรามักเกิดความผิดพลาดในเรื่องนี้ได้ง่ายคือ เมื่อตอนมีอำนาจแล้วก็คิดพึ่งอำนาจมากกว่าความเป็นมิตรซ้ำร้ายบางคนไม่คำนึงถึงความเป็นมิตรเอาเลยทีเดียวรําได้อยู่เพลงเดียวคือเพลงดาบเท่านั้นนักปกครองประเภทนี้มีแต่ถูกสาบวันยังคำ่ำการครองใจกันเป็นศิลปะพิเศษสำหรับการดำรงชีวิตเหมาะสำหรับทุกๆ ก, กิจการที่เราหวังความเจริญก้าวหน้าเช่น เป็นต้นว่าการครองใจกันระหว่างหนุ่มกับสาวผัวกับเมียพ่อแม่กับลูกพี่กับน้องเพื่อนกับเพื่อนครูกับสิทธิ์ผู้ใหญ่กับผู้น้อยผู้บังคับบัญชากับผู้ใต้บังคับบัญชาผอค้ากับลูกค้าและอื่นๆถ้าการใดขาดการครองใจเสียแล้วการนั้นก็ขาดความเจริญงอกงามแม้ในกิจการส่วนใหญ่เช่น การบริหารประเทศชาติก็ต้องมีการเจริญสัมพันธไมตรีกับประเทศอื่นๆซึ่งถ้าพูดตามหลักแล้วก็คือการครองใจกัน ร, ระหว่างประเทศชาตินั่นเองอยากจะขอย้อนเสียอีกหน่อยที่ว่าครองใจครองใจนั้นบางท่านอาจคิดว่าเหตุใดเราจึงต้องครองใจครองอย่างอื่นไม่ได้หรือจึงขอตอบไว้เสียเลยว่าเรื่องของคนนั้นจุดรวมอยู่ที่ใจ ถ้าจะครองคนแล้วก็ต้องครองที่ใจและเมื่อครองใจไว้ได้แล้วหมดทั้งตัวก็เป็นอันครองไว้ได้แต่ถ้าลงได้ครองใจไว้ไม่อยู่แล้วต่อให้ล่ามโซ่ไว้ก็จะนับเป็นคนของเราไม่ได้จุดสำคัญของการครองคนจึงอยู่ที่ใจของเขาเท่านั้นที่ซื้อแหวนเพชรให้สวมซื้อน้ำหอมให้ใส่ปักผ้าเช็ดหน้าให้ใช้ว่าการที่แท้ก็เพื่อจะครองใจเป็นสาคัญ วิธีทำให้คนรัก2แบบพูดอ้อมค้อมไปมากชักทำให้เรื่องเวียนวนไม่ว่าเรื่องอะไรทั้งนั้นถ้าเรื่องเล็กแต่ไปพูดให้มันมากมันก็จะวนได้เหมือนคนเดินอยู่ในบริเวณห้องเล็กๆแต่ต้องการเดินนานๆก็ต้องเดินวนเวียนอยู่นั่นเองที่ข้าพเจ้าใช้คำว่าการทำคนให้เป็นคนหรือว่าการครองใจคนนั้น ความมุ่งหมายที่แท้จริงก็คือการทำคนอื่นให้รักเรานั่นเองและทำให้เขารักเราได้นั่นแหละเรียกว่าครองใจเขาได้และความรักนั้นจะเป็นพลังสำคัญยิ่งในการช่วยเหลือกันและกันเพราะคนเราลงได้รักกันแล้วไม่ต้องจ้างไม่ต้องวานก็ช่วยเหลือกันเองฉะนั้นการแสดงต่อไปในเรื่องนี้ข้าพเจ้าจะใช้คำว่าการทำให้คนรักแทนคำว่าการครองใจคน หรือการทำให้คนเป็นมิตรที่พูดพูดมาแล้วเพื่อให้เข้าใจง่ายเพราะคาว่ารักเป็นคาชาวบ้านฟังง่ายดีวิธีทําให้คนรักมีอยู่สองแบบด้วยกันข้าพเจ้าขอใช้คำที่ข้าพเจ้าชอบและเคยใช้ในปาถกถาเรื่องอื่นๆแล้วคือแบบโลกวิธีกับแบบพุทธวิธีวิธีทาให้คนรักแบบโลกวิธีคือที่ชาวบ้านนิยมใช้กันมาก ใช้วิธีบังคับคือบังคับคนอื่นให้มารักตัวที่ว่าบังคับในที่นี้หมายความว่าเอาใจหรือเจตนาเข้าไปบังคับอยากให้แต่เขารักถ้าเขาไม่รักก็พานหาว่าเขาเป็นคนไม่ดีคนอะไรไม่รู้จักรักเจตนาที่จะสร้างความรักนั้นเป็นเจตนาที่พุ่งไปหาคนอื่นฝ่ายเดียวแล้วก็เลยคิดแก้ที่คนอื่นเมียไม่รัก ก็คิดแต่ว่าเมียไม่ดีผัวไม่รักก็คิดแต่ว่าผัวเหลวไหลทำงานทำการเจ้านายไม่โปรดก็พลานหาว่าเจ้านายใช้ไม่ได้หนักเข้าแทนที่จะแก้ตัวเองก็เลยคิดหาทางจะปรับปรุงนายจะต้องฟ้องนายบ้างละจะต้องหาทางย้ายนายบ้างละเลยไปกันใหญ่การที่ไปจัด คนอื่นให้มารักเราอย่างนี้เรียกว่าแบบโลกวิธีทีนี้แบบพุทธวิธีไม่ใช่อย่างนั้นคือแทนที่จะเข้าไปจัดการที่คนอื่นหรือทำให้คนอื่นมารักเราแต่ให้ย้อนกลับมาเข้าจัดที่ตัวเราเองคือทำตัวเราให้เป็นคนน่ารักถือหลักใหญ่ว่าถ้าตัวเราน่ารักคนอื่นเขาก็รักแต่ถ้าตัวเราไม่น่ารัก คนอื่นก็ไม่รักเท่านั้นเองท่านผู้ฟังลองนึกสมมติดูง่ายๆว่าเวลานี้ท่านกำลังยืนอยู่ต่อหน้ากระจกเงาบานใหญ่มองดูที่กระจกเงาถ้าท่านอยากเห็นเงาในกระจกยิ้มท่านจะจัดที่ไหนจะเอาปืนขู่บอกว่าเงายิ้มถ้าไม่ยิ้มพ่อจะยิงตายเดี๋ยวนี้อย่างนี้เงาจะยิ้มหรือไม่เปล่าจา้าก็ไม่ยิ้ม ท่านขู่เงาเงาก็จะขู่ท่านแล้วจะทําอย่างไรหรือจะนั่งลงกราบอ้อนวอนว่าเจ้าพระคุณเงากรุณายิ้มหน่อยเถอะอย่างนี้แล้วเงามันก็ไม่ยิ้มแล้วทําอย่างไรเล่าเงาจึงจะยิ้มง่ายนิดเดียวเราก็ยิ้มเสียเองพอเรายิ้มเงามันก็ยิ้มกับเราโดยวิธีเดียวกันนี้ถ้าเราอยากจะเห็นเงาหน้านวล เราเอาแป้งไปผัดที่ไหนก็ต้องผัดที่หน้าเราหน้าเรานวลแล้วหน้าเงามันก็นวลตามไม่ต้องเสียเวลาไปผัดหน้าให้เงาในกระจกการทาให้คนรักแบบทางโลกที่ว่าไปจัดที่คนอื่นนั้นก็เหมือนกับการขู่หรืออ้อนวอนให้เงานั้นยิ้มนั่นเองซึ่งเป็นวิธีที่ไม่มีทางสำเร็จส่วนแบบพุทธวิธีท่านให้ย้อนกลับมาแต่งที่ตัวเราเอง คือทําตัวเรานี้ให้น่ารักแล้วคนอื่นเขาก็จะรักเราซึ่งตรงกับวิธีทําให้เงายิ้มโดยเรายิ้มเสียเองนั่นแหละวิธีทําให้คนรักแบบโลกเราตั้งปัญหาว่าทําอย่างไรเขาจึงจะรักเราแต่แบบพุทธวิธีท่านกลับปัญหาเสียใหม่ว่าทําอย่างไรเราจึงจะเป็นที่รักของเขา